แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขปข้อก่อยกทุกขึ้นพูดก่อนเป็นการสอนเริ่มจากปัญหาเพื่อใช้วิธีการแห่งปัญญา อริยศาสตร์ข้อหนึ่งทุกทุกคือปัญหาต่างๆของมนุษย์เป็นเรื่องบีบคั้นชีวิตจิตใจมีอยู่ทั่วไปแก่ทุกคนเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็เป็นจุดสนใจเป็นของเด่นชัดแก่ผู้นั้นเมื่อนั้นแต่ว่าที่จริงถึงจะไม่มองเฉพาะครั้งเฉพาะคนแม้มองกว้างออกไปในหมู่ชนน้อยใหญ่จนถึงทั้งโลกก็เห็นชัดถึงปัญหาชีวิตของมนุษย์ และทุกภัยใหญ่น้อยที่ปรากฏขึ้นมาและเป็นไปอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเป็นธรรมดาพูดขึ้นมาก็ชัดเจนเห็นง่ายเป็นจุดสนใจอย่างยั่งยืนยกขึ้นเป็นข้อปรารถได้เรื่อยไปโดยเฉพาะเหมาะที่จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงธรรมยิ่งกว่านั้นทุกเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวและน่าตกใจสำหรับคนจานวนมากทั้งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงก็ไม่อยากได้ยิน ดังจะเห็นคนที่กําลังเพลิดเพลินลุ่มหลวงมัวเมาไม่ตระหนักรู้ว่าตนเองกําลังมีปัญหาและกําลังก่อปัญหาเมื่อมีผู้มาชี้ปัญหาให้ก็จะกระทบใจทําให้สะดุ้งสะเทือนและเกิดความไหวหวัว่นสําหรับคนที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนปรารบเรื่องทุกข์เพื่อกระตุ้นเตือนให้เขาฉุกใจได้คิดเป็นทางที่จะเริ่มต้นพิจารณาแก้ปัญหาดับความทุกข์กันได้ต่อไป เมื่อแสดงอริยสัจโดยตั้งต้นที่ทุกข์ก็เป็นการสอนที่เริ่มจากปัญหาเริ่มจากสิ่งที่มองเห็นกันอยู่เข้าใจง่ายเริ่มจากเรื่องที่น่าสนใจและโดยเฉพาะเป็นการสอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยไม่ใช่เรื่องคิดเพอ้อฝันหรือสักว่าพูดตีฝีปากเมื่อพูดกับใครก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคนนั้น เมื่อพูดเป็นกลางกางก็เกี่ยวข้องกับทุกคนพระพรพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทุกข์มิใช่เพื่อให้เป็นทุกขแต่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดับทุก์พระทรงรู้ว่าทุกขหรือปัญหานั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ดับได้ไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนที่จะต้องคงอยู่ตลอดไปชีวิตนี้ที่ยังคับข้องก็เพราะมีทุกมีปัญหาคอยรบ ก, กวนอยู่ถ้าดับทุกแก้ปัญหาแล้ว หรือได้สร้างความสามารถในการดับทุกข์แก้ปัญหาไว้พร้อมแล้วชีวิตก็ปลอดโปรง่งโล่งเบาพบสุขแท้จริงแต่การดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหานั้นไม่ใช่ทําได้ด้วยการหลบเลี่ยงปัญหาหรือปิดตาไม่มองทุกข์ตรงข้ามต้องใช้วิธีรับรู้สู้หน้าเผชิญดูมันการรับรู้สู้หน้าไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าไปแบกทุกข์ไว้หรือจะให้ตนเป็นทุกข์แต่เพื่อรู้เท่าทัน จะได้แก้ไขกำจัดมันได้พูดง่ายๆว่าไม่ใช่ไปเอาทุกข์มาใส่ในใจแต่เอาปัญญาไปแก้ไขจัดการการรู้เท่าทันนี้คือการทำหน้าที่ต่อทุกข์ให้ถูกต้องได้แก่ทำปริญญาคือใช้ปัญญาดูทั่วรอบทำความเข้าใจสภาวะทุกข์หรือปัญหานั้นให้รู้ว่าทุกข์หรือปัญหาของเรานั้นคืออะไรกันแน่อยู่ที่ไหน บางทีคนชอบหลบเลี่ยงทุกข์หนีปัญหาและทั้งที่รู้ว่ามีปัญหาแต่จะจับให้ชัดก็ไม่รู้ว่าปัญหาของตอนนั้นคืออะไรได้แต่เห็นคลุมคลุมเครือเครือหรือพร่าสับสนจึงควรทําความเข้าใจสภาวะของทุกข์หรือปัญหานั้นให้รู้ว่าทุกข์หรือปัญหาของเรานั้นคืออะไรกันแน่อยู่ที่ไหนมีขอบเขตแค่ใดเมื่อกําหนดจับทุกข์ได้อย่างนี้ก็เป็นอันเสร็จหน้าที่ต่อทุกข์ เหมือนแพทย์ตรวจอาการจนรู้โรครู้จุดที่เป็นโรคแล้วก็หมดภาระไปขั้นหนึ่งเราไม่มีหน้าที่กำจัดทุกเพราะทุกจะดับที่ตัวมันเองไม่ได้ต้องแก้ที่เหตุของมันถ้าจะละทุกข์ที่ตัวทุกข์ก็เหมือนรักษาโรคที่อาการเช่นให้ยาระงับอาการไว้ก็ไม่ใช่แก้โรคได้จริงต้องค้นหาสาเหตุต่อไปแพทย์เรียนรู้โรค ต้องเรียนรู้เรื่องร่างกายอันเป็นที่ตั้งของโรคด้วยชั้นใดผู้จะดับทุกข์เมื่อเรียนรู้ทุกข์ก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตอันเป็นที่ตั้งของทุกข์ซึ่งรวมถึงสภาวะของสังขารโลกที่เกี่ยวข้องด้วยฉันนั้นสาระสำคัญของอริยสัจข้อที่หนึ่งคือรับรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์ตามที่มันเป็นอยู่และมองดูรู้จักชีวิตรู้จักโลกตามที่มันเป็นจริง